อัตถกถาส ม, มาทิฏฐิสูตรอธิบายอกุศลกรรมบท10ในหน้า545ย่อหน้ากลางกล่าวว่าเชื่อว่าอากุศลอกุศล น, นี้พึงทราบได้จากความเป็นไปโดยความไม่ฉลาดหมายความว่าอากุศลนี้มันเกิดจากความไม่ฉลาดเกิดจากความโง่เกิดจากความเคลาเกิดจากความไม่รู้อากุศลทุกดวงนั้นมีอวิชาเป็นเหตุ มีวิชาเป็นสมุดฐานเพราะเมื่ออากุศลใดๆเกิดขึ้นขณะนั้นชื่อว่าไม่ฉลาดอากุศลนั้นชื่อว่าเกิดจากความไม่ฉลาดเกิดจากความโง่เขลาอากุศลอีกในหนึ่งเนี่ยเพ่งทราบโดยตรงกันข้ามกับกุบกศลตรงกันข้ามกับกุบกศลนั่นแหละเป็นอากุศลไม่ใช่เข้ากันได้นะเข้ากันไม่ได้โดยประการทั้งปวงเหมือนมืดกับสว่าง เข้ากันไม่ได้ชั้นใดกุศลกับอกุศลก็เข้ากันไม่ได้ชั้นนั้นโดยลักษณะแล้วอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่มีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์วิบาสของอกุศลนี้ก็ให้ผลเป็นความทุกข์และเป็นสิ่งที่เศร้าหมองเศร้าหมองก็คือตรงกันข้ามกับผ่องแผ้วใช่ไหถ้าผ่องแผ้วก็คือหมดจดแต่ถ้าอากุศลเกิดขึ้นนี้จะเต็มไปด้วยความเศร้าหมอง มีโทษด้วยมีวิบากเป็นทุกข์ด้วยเศร้าหมองด้วยนั่นแหละอกุศลทั้งหลายข้อเป็นอย่างนั้นถามว่าอากุศลเหล่านั้นคืออะไรก็คือการทำปานาติบาตเป็นต้นการฆ่าสัตว์นั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีโทษให้ผลเป็นทุกข์และก็เป็นความเศร้าหมองถามว่าปานาติบาตคืออะไรมาจากคำว่าปานาติปาตะเนี่ยนะปาณะบวกอติปาตะปาณหมายถึงสัตว์ อติปาตาแปลว่าทำให้ตกไปนะนะันการยังสัตให้ยังสัตมีชีวิตให้ตกล่วงไปเรียกว่าปาณาติบาตก็หมายถึงการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตอธิบายว่าการทำลายสัตว์ที่มีชีวิตหรือการทำลายชีวิตของสัตว์ชื่อว่าปาณาติบาตคำว่าปาณเนี่ยนะปาณะโดยเรียกว่าเป็นคำพูดโดยโวหารหมายถึงสัตว์ แต่ถ้าโดยประมาทหมายถึงชีวิตติทซีถ้าพูดตามสภาวะนะก็คือชีวิตติทซีนั่นเองปาณาติบาตก็คือทำชีวิตติทซีของสัตว์ให้ตกล่วงไปคำว่าปาติมาปาณาติบาตนั้นหมายถึงตัวเจตนาที่จะฆ่าเจตนาที่จะฆ่าของผู้มีความสำคัญในสัตว์ที่มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตอันเป็นสมุดฐานแห่งความพยายามที่จะเข้าไปตัดชีวิตติทรี การพยายามนั้นเป็นไปทางกายทวารบ้างทางวจีทวารบ้างทวารใดทวารหนึ่งชื่อว่าปานาติบาหมายถึงว่าเจตนาที่มุ่งทําลายชีวิตรู้นะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการตัดชีวิตต้องการไม่ให้ชีวิตเป็นไปสืบเนื่องเพียรพยายามทางกายัตทวารบ้างทางวจีทวารบ้างจะกายัตทวารหรือวจีทวารก็ตาม จนถึงสัตว์นั้นสิ้นชีวิตเรียกว่าปาณาติบาต ท, ทีนี้ตั้งคาถามว่าแล้วโทษของปาณาติบาตมีโทษน้อยเพราะสัตว์ที่ฆ่าไปนี่ตัวเล็กตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ก็มีโทษมากขึ้นตามลำดับเช่นถ้าเราฆ่าเดรัตว์เดรัชานถ้าฆ่าสัตว์เดรัชานในเช่นถ้าฆ่ามดตัวนิดเดียวก็บาปน้อยกว่าตัวใหญ่ถ้าฆ่าตัวใหญ่ก็บาป ค่ามดก็บาปน้อยกว่าถ้าค่าสัตว์ใหญ่ๆกว่านั้นไล่ไปเรื่อยๆถ้าค่าไก่ก็โทษน้อยกว่าค่าหมูถ้าค่าหมูก็โทษน้อยกว่าค่าวัวค่าช้างค่าม้าเป็นต้นถ้าค่าช้างก็โทษน้อยกว่าค่าปลาวาฬตัวใหญ่เลยอะไรเงี้ยอันนี้หมายถึงไล่ตามลําดับถึงว่าตัวเล็กตัวใหญ่ในในหมูเดรฉานทั้งหลายนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยนะที่ค่าสัตว์ใหญ่ที่บาปมากเพราะอะไรเพราะใช้วิธีวิธีการมากประโยคฆ่าหมายถึงว่า ใช้วิธีการหลากหลายวิจิตกว่าจะฆ่าได้มันถ้าฆ่าแบบภาคเพียนพยายามมากโห อ, อกุศลมีกําลังเครียดอยู่ทั้งวันเพื่อจะฆ่าเรื่องนั้นนะนะก็บาปมากตามแต่สภาพของจิตเนี่ยนะสภาพของจิตที่เป็นไปกับเรื่องนั้นถ้าเป็นไปกับการคิดเพื่อจะฆ่าคิดมากก็บาปมากถ้าคิดน้อยก็บาปน้อยกว่าคิดมากก็ ปริมาณอยู่ที่ความพยายามอันนั้นทีนี้ถ้าเทียบว่ามนุษย์กับเดรัฉานค่ามนุษย์นั้นบาปมากกว่าค่าสัตว์เดรัชานทีนี้ค่ามนุษย์นั้นก็เทียบว่าถ้ามนุษย์มีคุณน้อยเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรเลยค่าเขาก็บาปบาปบาปมากกว่าค่าสัตว์เดรัชานทั้งหมดแต่ก็บาปน้อยกว่าค่าคนมีศีล ถ้าฆ่าคนมีศีลมากเท่าไหร่ก็บาปมากเท่านั้นจนถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็บาปเป็นอนันตริยกรรมนะสูงสุดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผ้าอรหันนี่เป็นอนันตริยกรรมอันนี้คือโทษของการฆ่าในถ้าหากว่ากล่าวตรงกันข้ามกับการรักษาศีลเนี่ยจะรู้ว่าผลแห่งการฆ่าสัตว์ถ้ามันให้ผลในชาตินี้เรามาดูได้ยังไงว่านั่นเป็นผลพวงมาจากสายปานาติบาก็ดู เป็นผู้มีอวัยวะไม่มีความสมบูรณนะ์พิการทางอวัยวะรู้ไดเลยว่ามาจากสายปานาทิบาตเช่นอวัยวะขาดตกบกพร่องควรที่จะมีน้อยมันมีเกินหรือควรที่จะมีครบมันขาดไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทั้งนะทั้งต่ําทั้งเรียกว่าทั้งบิดทั้งเบี้ยวอ่ะนะไม่สมประกอบแห่งความเป็นมนุษย์เลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเป็นคนทื่มๆหน่อยนะ แล้วก็เท้าก็สั้นข้างยาวข้างเป็นต้ตนพวกนี้ก็ผลของการฆ่าเป็นคนที่ไม่สวยเป็นคนที่หยาบกระด้างไม่อ่อนโยนเป็นคนไม่สะอาดเป็นคนขี้คลาดเบื้องลึกๆและเป็นคนหวาดระแวงขี้กลัวเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีกำลังป่วยมากหรือว่าป่วยบ่อยเป็นปกติถ้อยคาพูดแต่ละคำนี่ก็ไม่สละสลวยคำพูดตะกุกตะกักเป็นคำพูดที่หยาบ คือคือถ้อยคํานี้จะไม่เพร้เนีนะสั่งฆ่านี่คําพูดร้อไหมนั่นแหละทำเหตุมายังไงมันก็สมควรอย่างนั้นแหละว่างั้นแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจสําหรับสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ที่สัตว์ทั้งหลายสะดุ้งกลัวว่างั้นเลเป็นที่ที่คนทั่วไปนี่รังเกียจเนี่ยนะเรียกว่าน้ากลัวน่ากลัวแบบไม่ใช่กลัวอํานาจนะแต่คือเป็นคนที่น่ารังเกียจหน้าขยะขยะแยงๆแบบนั้นมีบริวารบริวารก็แตกแยกหมดเลย เพราะเวลาจะฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยนะโหมันแตกทั้งฝูงถ้าฆ่าคนหนึ่งคนเนี่ยสมมติถ้าใครถูกฆ่าเนี่ยโอเราไม่นั่งฟังทำกันอย่างมีความสุขรอกเตื่นตัวกันไปหมดเลยขันกรรมอันนั้นก็ทำให้มีบริวารบริวารก็แตกแยกโดยปกติพื้นเพและเป็นคนที่สะดุ้งบ่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็เสีย ว, วูบขึ้นมาตกใจง่ายนะก ล, ยกลายเป็นคนตกใจง่าย เป็นผู้ที่ใครๆไม่จะกําจัดก็เดือดร้อนเหมือนนไม่จําต้องกล่าวว่าคนอื่นเขามามาทําลายใช่ไหมเขาไม่ทําลายอยู่ๆท่อนไม้ก็ตกใส่หัวเป็นต้นเนยนะไม่จําต้องถูกเขาวางแผนประทุษรายพวกนี้จะถูกแต่วางแผนประทุสรายตลอดเวลาเป็นผู้ตายหมายความว่าคนอื่นประสงค์จะฆ่าเมื่อไหร่ก็ฆ่าสําเร็จเพราะเพราะกรรมตัวเองทําไว้แล้วถ้าคนอื่นไม่ต้องการฆ่าเดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายเองแหละนะใจก็น้อมไปเพื่ออยากฆ่าตัวตาย เพราะว่าตัวเองทําเหตุเอาไว้เพรันคนที่มีใจน้อมไปอยากจะฆ่าตัวตายเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นผลของกรรมสายฆ่ามาแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีบริวารเลยเป็นคนกําพร้าพวกเนี่ยนะไม่มีญาติไม่มีบริวารเป็นคนที่หัวเดียวกะเทียมรีบนะเป็นคนไม่มีญาติเลยแล้วก็เป็นผู้ที่มีผิวไม่งามเนี่ยนะผิวไม่สวยสวดทรงก็ไม่สวย โรคก็มากแล้วก็เป็นคนเสียใจบ่อยๆเนี่ยนะเป็นคนที่แปล ว, ว่าขี้น้อยใจเนี่ยนะขี้น้อยใจมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่พลัดพรากจากของรักของชอบใจมีของรักก็ต้องพลัดพรากเช่นอะไรนะเกิดมาเนี่ยแม่ตายตั้งแต่เล็กๆพ่อตายตั้งแต่เล็กๆญาติก็ตายตั้งแต่ น, น้อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อายุสัน้นพลาดพรากจากของรักแต่ตัวเองในที่สุดก็อายุสัน้น ทันเวลาโทษของปานาติบาตเวลาให้ผลเนี่ยดูจากเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยนะพอเกิดในคันปั๊บเนี่ยนะถูกวางแผนฆ่าทันทีเลยเขาเขาให้รู้ว่าเกิดในคันเกิดได้ ก, ก็ก็เตรียมวางแผนบางคนนี่ยังไม่ทันเกิดเขาวางแผนเตรียมฆ่าไว้แล้วเนี่นะพอเกิดเข้ามาก็ฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องในคันแล้วคลอดออกมาบางทีก็ถูกวางแผนฆ่าไปเรื่อยๆในที่สุดก็ที่จริงเกิดมาแล้วไม่ฆ่าก็ตายอ่นะ แต่ว่ามันตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะควรที่จะอายุยืน 7-80 ปีมันก็ตายโดยอายุน้อยๆ อ, องค์ของการฆ่าปนานปฏิบาตินั้นมีองค์5คือสัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต3 ม, มีจิตคิดจะฆ่า4พยายามฆ่าสุดท้าย 5. สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นตายด้วยวิธีการอนั้นนี่นยนะเช่น ตอนที่ข้าเนี่ยมีบาดแผลยังไม่ตายแต่เพราะพิษบาดแผลอันนั้นทำให้ตายเรียกว่าตายเพราะโรคอันนั้นอย่างเช่นพระนายนายช่างแก้วที่ใช้ชนะขันพระพระอรหันต์รูปหนึ่งนะนะก็ขันเกลียวบิดเข้าไปบิดเข้าไปเกือบตายแต่ว่าไม่ตายเสร็จแล้วก็ก็ปล่อยให้พระท่านไปในที่สุดพระท่านก็ ป่วยตายเพราะโรคที่ถูกขันชะนะอันนั้นก็ถือว่ามีกรรมผูกพันถ้าตายเพราะโรคอันนั้นนะก็ถือว่ามีกรรมผูกพันแต่ถ้ารักษาหายตายด้วยโรคอื่นนะั้นไม่เป็นไรไม่ไม่ครบองค์แห่งปานาติบาตแต่ถ้าตายจากพิษอันนั้นเช่นระวางยาพิษอย่างเงี้ยสมมติระวังยาพิษผสมอาหารให้เข้าทานเนี่ยน ะ, อะตอนนั้นไม่ตายแต่ว่าหลังจากนั้นก็ป่วยตายเพราะพิษอันนั้นอันนี้ก็ชื่อว่า ตายเพราะความพยายามนั้นก็ชื่อว่าครบองค์เหมือนกันถึงไม่ตายขณะนั้นแต่หลังจากนั้นก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวอะไรไม่ไหวเป็นต้นก็ตายประโยคแห่งการฆ่าหรือวิธีฆามี6วิธีด้วยกันใหญ่ๆ ห, หนึ่งฆ่าเองสาหัติกะก็เรียกว่าลงมือเองเลยนะลงมือเองสองอนติกะประโยคอนัตอนั ต, อ, นตอ่ะ น, นะก็คือมีใบสั่งนะใช้ใบสั่งฆ่า อ น, นัตติกาก็คือใช้ให้คนอื่นฆ่าใช้ใบสั่งใช้อะไรก็ว่ากันไปสนิสขยะประโยคนิสขยะก็คือเช่นพุ่งอาวุธหรือปล่อยอาวุธออกไปเนี่ยนะพุ่งอาวุธปล่อยอาวุธเช่นอะไรนะยิงธนูซัดหอกใช้หอกใช้อะไรซัดออกไปคว้างออกไปหรือปล่อยก้อนหินให้ตกลงมาเป็นต้นเนี่ยปล่อยก้อนหินให้ตกลงมาจากที่สูงมาตกใส่อันนั้นฆ่าโบราณมาก สมัยใหม่อะไรทําไงพุ่งระเบิดอะไรพุ่งอะไรนะขี่ปนาวุธอย่างเงี้ยนะพุ่งออกไปเนี่ยเรียกว่านิสสกิยาประโยคก็พุ่งออกไปสมัยนี้ฆ่าแบบกดปุ่มนะนะปั๊บเนี่ยครับเรียบร้อยถาวรประโยคถาวรประโยชน์เนี่ยมาอุปกรณ์การฆ่าแบบถาวรตกไปเมื่อไหร่ก็ตายเช่นอะไรนะถาวรประโยคก็ขุดหลุมดักเลย น, นะเขาเรียกว่าวางแผนให้เขาวิ่งมาจนประสบอุบัติเหตุต้องตายณนะจุดนี้เพราะการตายที่เกิดจากการวางแผนถาวรประโยคเช่นพวกทําหลุมพรางอ่ะนะหลุมพรางสัตว์เมื่อไหร่ก็ตกมาตายตกมาตายตกมาตายเช่พวกกลุ่มหลุมพรางเป็นต้นอ่ะนะเขาเรียกว่าถาวรประโยคเขาเรียกว่าลานประหารถาวรแล้วก็วิชามยะประโยคก็ใช้อํานาจเวทมนต์คาถา เรียกว่าสายดำฆ่าแล้วมิชาประโยชอิทธิมยะประโยชก็ฆ่าด้วยฤทธิ์คำว่าฤทธิ์ในที่นี้เช่นฤทธิ์บุญฤทธิ์ตัวเองกรรมเก่าที่ตัวเองมีฤทธิ์เช่นทาวเวสสุวรรณในถลึงตาด้วยความกโกรธแล้วตายเลยนะถ้าทาวเวสวรรณนี่เขามีตาที่เศษอยู่ที่อันหนึ่งที่หน้าผากถ้ากโกรธเมื่อไหร่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยคนที่ถูกมองเนี่ยตายยักษ์ตายเลยยักษ์จะตายทาวเวสวรรณนี่จะมีฤทธิ์อย่างนั้นนะ หรือพวกแบบอิทธิมยะประโยคพวกนาคอะไรนั่คก็ฆ่าได้นะฆ่าด้วยพ่นไฟพ่นอะไรเป็นต้นอันนั้นก็ถือว่าฤทธิ์ของพญานาคเหมือนกันมันก็เรียกว่าวิธีการฆ่ามีอยู่6กวิธีใหญ่ๆส่วนรายละเอียดนี่มีเยอะมากอาจจะใช้สีอย่างเช่นอุปกรณ์ในการฆ่าใช้สีฆ่าก็ได้ ร, รู้ว่าคนนี้จะตายเพราะเห็นภาพแบบนี้นะสร้างภาพแบบนั้นจนคนนี้เห็นแล้วช็อกตายนี่ก็ฆ่าเหมือนกันนะรู้แนะ่คนนี้ฟังเสียงแบบนี้แล้วต้องช็อกตายแล้วก็ แกล้งไม่ให้มีเสียงแบบนี้ให้เขาชอบตายนี่ก็ฆ่าเหมือนกันเขาได้กลิ่นแบบนี้แล้ว โ, โหให้เขาได้รับกลิ่นอันนี้แล้วตายก็เพราะว่าอันนั้นก็ชื่อว่าฆ่าเหมือนกันในรถประเภทนี้อาเจียนจนตายอย่างเงี้ยนะแล้วให้เขาได้รับรถแบบนั้นแล้วตายก็ชื่อว่าการฆ่านั้นวิธีการฆ่านั้นมีรายละเอียดเยอะแต่สรุปว่าไม่ได้ทําจากเจตนาที่ดีใช่ไหมจะเจตนาเหล่าใดก็ช่างทีนี้ย้อนไปพวกที่ทําการฆ่าในรวมทั้งพวกผลิตอาวุธเนี่ยนะ ผลิอาวุธถ้าตัวเองผลิตเนี่ยตายเท่าไหร่ตัวเองก็รับส่วนเท่านั้นมีส่วนด้วยค่ะพอๆกับไปลงทุนทําบาปร่วมกับเขาเนะอย่างเช่นถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจากการทําระเบิดเนี่ยอย่างน้อยเฉลี่ยแล้วอย่างน้อยต้องตายวันละรับหนึ่งคนอย่างน้อยที่สุดนะเพราะระเบิดเนี่ยระเบิดตุ้มๆแตกได้เนายนะอย่างน้อยวันละคนอย่างน้อยที่สุดแต่จริงๆแล้วจำมากกว่านั้นด้วยซ้ําไป นันกลุ่มที่ผลิตอาวุธทั้งหลายเนี่ยนะมีส่วนแห่งบาปเหล่านั้นทั้งหมดนะมีส่วนแห่งบาปเหล่านั้นพวกนี้กลุ่มถาวรไมะย่ประโยคนะใครที่คิดทฤษฎีแห่งวิธีการฆ่าได้เนี่ยนะโอ้ยจำผูกพันเท่าไหร่นะและอย่างสมมุติถ้าอย่างแบบชาวประมงนะ่ยใครที่ถักแหแล้วปลาจํานวนแหที่ไปเหวี่ยงตายเท่าไหร่นะคนถักเนี่ยมีส่วนทั้งหมดเท่านั้นหรือถ้าผลิตปืนออกมาแล้วปืนอันนั้นนะไปยิงใครเท่าไหร่ตายแค่ไหนตัวเองก็มี มีส่วนเท่านั้นนะนะก็รับเละเลยแหลยไม่ใช่บุญนะตรงกันข้ามกับบุญนั้นสายปานาธิบาตเนี่ยมีโทษเพราะนั้นเวลาคนบางคนเนี่ยเกิดมาถูกวางแผนฆ่าตลอดไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการตายตายของมนุษย์เนี่ยนะจะเห็นว่าอยู่ที่ไหนก็ตายหรือแม้กระทั่งพวกเดรชานทั้งหลายเนี่ยนะตายง่ายตายได้เหลือเกินพร้อมที่จะตายเพราะว่ากรรมเหล่านี้ที่ทําเอาไว้ แต่ที่น่ากลัวก็คือสายพวกผลิตอาวุธนี่น่ากลัวมากเพราะมีพันธะผูกพันธ์ทั้งหมดเลยตัวเองมีพันธะผูกพันธ์ทั้งหมดเกี่ยวกับกังเหล่านั้นเหล่านั้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีฆ่าทั้งหลายก็ดูในปราชิกตติยาศิขาบทเนี่ยนะปราชิกศิขาบทที่สในพระวินัยปิฎกไงนะพระไตรปิฎกชุดนี้เล่มที่สองอยู่เล่มที่สอง